บุกทูสิบสองเ็กดูเครื่องดื่มทรินค่ารอยดิฉันดื่มชาค่ะมีทรินค่าสแตนดิฉันดื่มกาแฟค่ะมีทรินค่า ดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะมิทริงกัสมินเนรลลัลน์อากอนคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะชูวิทริงกัสเตยอนคุณสิตรอนอคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะชวิทริงกสคาฟนคุณซูเกร คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะชูวิทริงกัสอากวอนคุณกลัดสิครูเบยมีงานเลี้ยงที่นี่เอสตัสเฟสโตชิเตียคนกำลังดื่มแชมเปญโอมอยทริงกัสชัมพานอนคนกำลังดื่มไวน์และเบียโฮมอยทริงกัสวีนน คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะชูวิตริงกัสแอลโกอฮอล์นคุณดื่มวิสกี้ไหมคะชูวิตรงกัสวิสกี้ยงคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมคะชูวิตริงกัสโ ค, ค้กนุ่ม ดิฉันไม่ชอบแชมเปญนเนชัตัสชมานั่ด น, นดิฉันไม่ชอบไวน์มี่ ด, นนดิฉันไม่ชอบเบียร์มินเนชัตสเบียรน์น่เด็กอ่อนชอบดื่มนมลาเบโบชัตส์ลักตัน เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ลผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต